เกิดขึ้นของวิญญาณภาษาและเวทนาในขณะรู้กลิ่นการรู้กลิ่นก็เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเช่นการได้ยินคณะวิญญาณจิตที่รู้กลิ่นเกิดได้เพราะมีการกระทบกันระหว่างจมูกคณะประสาทและกลิ่นคันธารลมหากขาดจมูก หรือไม่มีกลิ่นการรู้กลิ่นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้คนที่ไม่มีคานาประสาทนั้นหายากแต่ข้าพเจ้าเคยพบพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกล่าวว่าท่านไม่สามารถรับรู้กลิ่นอะไรได้เลยแม้จะให้ดมผ้าเช็ดหน้าที่พรมน้ำหอมไว้ก็ตามแม้จมูกจะดีแล้วไปอุดไว้หรือไม่มีกลิ่นให้สูดดม ก็ไม่สามารถรู้กลิ่นได้เราจะได้กลิ่นก็ต่อเมื่อมีกลิ่นลอยมาในอากาศและกระทบเข้ากับคานะประสาทในจมูกคนทั่วไปมักหลงผิดคิดไปว่ามีบุคคลหรือตัวตนอัตตาเป็นผู้ได้กลิ่นแต่การรู้กลิ่นก็เช่นเดียวกับการเห็นและการได้ยินกล่าวคือ เกิดจากการกระทบกันระหว่างกลิ่นในอากาศกับประสาทารูปในจมูกซึ่งมีสภาพแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาการกระทบกันระหว่างคันธารมกับคณนประสาส ท, ทำให้เกิดคณะวิญญาณและวิถีจิตซึ่งประกอบด้วยอวัชนะจิตทาหน้าที่รับอารมณ์ใหม่เป็นต้นไป จนถึงชวนจิตทำหน้าที่เสพอารมณ์และตถารรมณะจิตแต่องค์ประกอบที่สำคัญในการได้กลิ่นนี้คือคณะวิญญาณซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาโดยมีจมูกและกลิ่นเป็นปัจจัยทุกคนจะคุ้นเคยกับกลิ่นทั้งดีและไม่ดีเช่นกลิ่นหอมของดอกไม้หรือกลิ่นเหม็นของสิ่งบูดเน่า คนทั่วไปจะเชื่อว่าตนเองเป็นผู้ได้กลิน่นแต่ผู้ปฏิบัติธรรมทราบดีว่าการได้กลิ่นเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดจากการประชุมกันของจมูกกลิ่นและคานาวิญญาณและย่อมจะรู้ว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสิ่งแปรปรวนอยู่เสมอไม่คงทนถาวรเวทนาความรู้สึก อาจเป็นความพอใจหรือไม่พอใจขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผัสสะกลิ่นดอกไม้และน้ำหอมทำให้รู้สึกชื่นใจกลิ่นบูดเนา่าย่อมระคายจมูกส่วนกลิ่นธรรมดาที่ไม่หอมไม่เหม็นจะไม่ทำให้รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจแต่ทำให้รู้สึกวางเฉยเรียกตามศัพท์ว่าอุเบกขาเวทนา ซึ่งเป็นความรู้สึกที่มีกำลังอ่อนจึงไม่ค่อยได้สังเกตเห็นความรู้สึกนี้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้จิตรับรู้กลิ่นย่อมทราบว่าเวทนาที่เกิดขึ้นและดับไปขณะรู้กลิ่นนั้นมีได้สามอย่างคือพอใจไม่พอใจและเฉย การเกิดขึ้นของวิญญาณผัสสะและเวทนาในขณะลิ้มรสการลิ้มรสเป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากการกระทบกันของลิ้นและอาหารเป็นปัจจัยให้เกิดมีชิวหาวิญญาณขึ้นหากไม่มีลิ้นหรือรสอาหารจิตที่รู้รสย่อมเกิดขึ้นไม่ได้และถ้าหากลิ้นหรือชิวหาประสาทบกพร่องก็จะรับรสชาติของอาหารไม่ได้ บุคคลทั่วไปเชื่อว่ามีตัวตนเป็นผู้บริโภคหรือรับรสอาหารแต่ความจริงประสาทรูปในลิ้นมีสิ่งทำหน้าที่รับรสและเป็นสภาพแปรเปลี่ยนตลอดเวลาเมื่อชิวหาประสาทกระทบกับรสของอาหารจึงเกิดชิวหาทวารวิถีจิตในํานองเดียวกับที่ได้อธิบายมาแล้วเกี่ยวกับจักรวิญญาณเป็นต้น วิธีจิตในการรู้รสเกิดดับเร็วมากจนเป็นเสมือนชั่วขณะจิตเดียวชิวหาวิญญาณเปลี่ยนแปลไปตามความเปลี่ยนแปลงของลิ้นและรสชิวหาวิญญาณ น, นั้นเป็นธรรมชาติที่รู้รสเช่นรสหวานรสเปรี้ยวและรสขมเป็นต้นการประชุมกันของชิวหาป ร, าาระสาทรสารม และชิวหาวิญญาณเรียกตามศัพท์ว่าผัสสะแม้คนทั่วไปจะคิดว่าตนเองเป็นผู้ลิ้มรสแต่ผู้ปฏิบัติธรรมที่กําหนดรู้รูปนามขณะลิ้มรสจะทราบได้ว่าการลิ้มรสเป็นสภาวธรรมที่ผันแปรไปตามสภาพของลิ้นรสและชิวหาวิญญาณเมื่อปฏิบัติต่อไปก็ย่อมสามารถจะบรรลุถึงวิปัสสนาปัญญา ที่เห็นความแปรเปลี่ยนความไม่คงทนของสภาวาธรรมการลิ้มรสเช่นกันผัสสะที่เกิดจากรสอารมณ์เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกเวทนาทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับรสที่ได้รับเมื่อได้ลิ้มรสอร่อยก็จะรู้สึกพอใจแต่ถ้าเป็นอาหารที่ไม่อร่อยหรือยาที่มีรสขมก็จะรู้สึกไม่พอใจ อาหารบางอย่างเมื่อเรารับประทานแล้วรู้สึกเฉยเฉยจัดเป็นอุเบกขาเวทนาแต่ว่าการมีโอกาสได้บริโภคอาหารหรือว่าเป็นผลของกรรมดีดังนั้นการบริโภคอาหารจึงจัดเป็นสุขเวทนาและนำไปสู่ความผูกพันยึดมั่นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เจริญวิปัสสนาภาวนากาหนดรู้รูปนามอยู่ทุกขณะ จะทราบชัดด้วยประสบการณ์ของตนถึงการเกิดดับของเวทนาสามสุขทุกข์และอุเบกขาการเกิดขึ้นของวิญญาณผัสสะและเวทนาในขณะกระทบสัมผัส กายทวารเป็นที่เกิดของผัสสะและเวทนาเป็นต้นได้เช่นกันพระบรมศาสดาตรัสว่ากายวิญญาณเกิดได้เพราะมีการกระทบกันระหว่างกายภาษาทารูปและโพธพารมณ์การประชุมกันของกายภาษาทรูปโพธพารลมและกายวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดกายสัมผัสผัสสะ และกายสัมผัสเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาข้อความนี้อธิบายได้ว่าการเห็นได้ยินรู้กลิน่นและลิ้มรสล้วนเป็นสภาวะธรรมที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเฉพาะที่เช่นตาและหูเป็นต้นจิตที่รับรู้อารมณ์จะเกิดขึ้นตรงส่วนใดส่วนหนึ่งบริเวณศีรษะ สภาวะธรรมทางกายและจิตเกิดได้จึงถูกจํากัดว่าต้องมีสถานที่และเวลาเกิดเช่นจะรับรู้รสเฉพาะเวลาบริโภคอาหารรับรู้เสียงต่อเมื่อมีเสียงให้ได้ยินแต่การรับรู้สัมผัสทางกายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนในร่างกายเราอาจสัมผัสกับโผฏฐพอารมณ์ อารมณ์ทางกายทวาร น, นาที่ใดที่หนึ่งบนร่างกายอยู่เสมอไม่ว่านึกถึงเมื่อไรดังนั้นกายสัมผัสจึงมีขอบเขตกว้างขวางและกินเวลาต่อเนื่องยาวนานการกำหนดรู้กายสัมผัสจึงสำคัญยิ่งสําหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากายประสาทเป็นที่ตั้งรับเมื่อมีโพธพารมมากระทบ โดยกระจายอยู่ทั่วร่างกายในทุกส่วนที่มีเลือดเนื้อชุ่มชืน้นกายประสาทรูปเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของจิตที่สามารถรับรู้สัมผัสซึ่งมากระทบร่างกายได้ทั้งภายนอกและภายในกายประสาทเป็นสภาวะธรรมที่ไม่คงทนถาวรแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจากขณะหนึ่งสู่อีกขณะหนึ่ง อุปมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไม่ขาดช่วงหรือเหมือนกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไส้หลอดไฟทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นเมื่อกายประสาทมีความแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดนี้กระทบกับโพัพารมทั้งที่เป็นภายในและภายนอกก็เป็นปัใจจัยให้เกิดกายวิญญาณ และมีวิธีจิตเช่นเดียวกับการเห็นและการได้ยินเป็นต้นวิธีจิตที่รับรู้กายสัมผัสประกอบด้วยจิตที่รับอารมณ์จิตที่ไต่สวนอารมณ์จิตที่เสพอารมณ์และจิตที่รับอารมณ์ต่อจากชาวนาวิธีจิตเหล่านี้เกิดดับรวดเร็วมากจนเหมือนกับว่าได้ปรากฏขึ้นเพียงชั่วขณะจิตเดียว กายวิญญาณจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่สังเกตเห็นเองเพราะจิตของคนเรามักใส่ใจอยู่กับอารมณ์อื่นถ้าหันมาสนใจที่ร่างกายก็ย่อมได้รับรู้การสัมผัสบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นเท้าที่สัมผัสพื้นห้องหรือผิวหนังที่สัมผัสกับเสื้อผ้าเป็นต้นเพราะเหตุนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงเจริญสติระลึกรู้สัมผัสทางกายนี้อยู่นั้นจึงได้รู้ว่ากายสัมผัสไม่ได้เกิดขึ้นเองและไม่ได้มีผู้ใดสร้างขึ้นหากแต่เกิดขึ้นเพราะอาศัยโพัพารลมและกายประสาทที่ไม่บกพร่องอันหนึ่งคําว่าโพธพารลมเป็นศัพท์บาลี หมายถึงอารมณ์ที่กระทบถูกต้องได้ทางกายมีสามชนิดคือปัทวีธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุลักษณะของปัทวีธาตุปัทวีหรือธาตุดินคือธาตุที่มีลักษณะแข็งหรืออ่อน ซึ่งจะรู้สึกได้เมื่อร่างกายกระทบกับวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งความอ่อนและความแข็งไม่ได้แตกต่างกันเสียทีเดียวยกตัวอย่างเช่นผ้ากำมะหยี่มีความอ่อนนุ่มเมื่อเทียบกับของที่กระด้างกว่าแต่เมื่อสัมผัส ด, ดวงตาซึ่งมีเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนกลับรู้สึกว่าผ้ากำพลหยาบกระด้างดังนั้นความอ่อนหรือแข็งจึงเป็นสัพท์เชิงเปรียบเทียบ แล้วแต่ว่าจะเปรียบกับสิ่งที่อ่อนหรือแข็งกว่าความอ่อนหรือแข็งจึงมีลักษณะเฉพาะของปัทวีทาธาตุคำพีอัตกถากล่าวว่าความแข็งของปัทวีธาตุทาทหน้าที่เป็นที่ตั้งของาธาตุอื่นๆที่มาอาศัยเหมือนกับพื้นดินใช้เป็นที่ตั้งอยู่ของวัตถุต่างๆ ต, ตัวอย่างเช่นแป้งข้าวเจ้าที่เป็นผงละเอียดเมื่อผสมกับน้า จะจับตัวเป็นก้อนแข็งจึงเรียกได้ว่าเป็นปฐวีธาตุเพราะมีความแข็งเป็นลักษณะเด่นนอกจากนั้นผงแป้งเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนได้เพราะประกอบด้วยธาตุน้ำและก้อนแป้งยังประกอบด้วยธาตุไฟเป็นอุณหภูมิร้อนหรือเย็นและประกอบด้วยธาตุลมซึ่งมีลักษณะตึงดังนั้น ก้อนแป้งข้าเจ้าจึงประกอบด้วยธาตุทั้งสโดยมีธาตุดินเป็นที่ตั้งของธาตุอีกสามอย่างคืออโปธาตเตโชธาตวายโยธาต์ฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรเข้าใจว่าปฐวีธาตุมีหน้าที่เป็นฐานที่ตั้งให้ธาตอื่นมาประกอบรวมกันอยู่และมีการรับเอาธาตอื่นไว้เป็นอาการปรากฏ นอกจากนั้นอาจกล่าวไว้ว่ามีความหนักเบาเป็นอาการปรากฏดังคัมภี์อภิริกถาของธรรมสังคนีอธิบายว่าปัทวีธาตมีอาการปรากฏเป็นความหนักหรือเบาดังนั้นเมื่อยกมือหรือเท้าขึ้นแล้วรู้สึกว่าหนักหรือเบาก็ย่อมรู้ถึงปัจจุ ป, ปัฐานของปัทวีธาต ผู้ปฏิบัติธรรมจะรับรู้ลักษณะเด่นของปัตวีธาตุได้จากความแข็งอ่อนหรือนุ่มนวลของสิ่งนั้นรับรู้หน้าที่ของปัตวีธาตุเมื่ อ, อยังเห็นว่าเป็นที่ตั้งของธาตุอื่นๆที่มาอาศัยและย่อมรับรู้อาการปรากฏของปัตวีธาตุเมื่ อ, อยังเห็นการรับเอาธาตุอื่นไว้หรือมีลักษณะหนักเบา เมื่อเจริญวิปัสนาจนสามารถยังรู้ลักษณะเด่นหน้าที่และอาการปรากฏของปัทวีธาตย่อมหมายถึงการบรรลุวิปัสนาญาณที่แยกความแตกต่างของรูปนามได้นามรูปปริเฉทญาณบุคคลทั่วไปเมื่อได้สัมผัสกับปัทวีธาตก็มักเข้าใจว่าเป็นมือขา เสื้อผ้าบุรุษสตรีเป็นต้นซึ่งไม่ถูกต้องไม่ตรงกับความจริงแต่ผู้เจริญวิปัสสนาย่อมจะรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของปัตวีธาตุดังที่ได้อธิบายมาแล้วลักษณะของเตโชธาต เตโชธาตหรือธาตไฟหมายถึงความร้อนสังเกตได้จากเวลาที่เราต้องเปลี่ยนอิริยาบทเพราะรู้สึกร้อนหรือกดทับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งความเย็นก็จัดเป็นเตโชธาตแต่เป็นเตโชธาตที่มีน้อยความรู้สึกว่าวัตถุเย็นหรือร้อนมีโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น เช่นบริเวณใต้ต้นไม้อาจรู้สึกเย็นเมื่อเทียบกับพื้นที่กลางแดดแต่จัดว่าร้อนเมื่อเทียบกับภายในถ้ำหรือในบ้านน้ำในหม้อจัดว่าเย็นเมื่อเทียบกับน้ำในที่โล่งแจ้งแต่ยังร้อนกว่าน้ำที่ผสมกับน้ำแข็งดังนั้นความร้อนความอุ่นหรือความเย็นล้วนเป็นคำที่หมายถึงลักษณะของเตโชธาต เตโชธาตหรือความร้อนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและสำคัญต่อการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตหน้าที่ของความร้อนคือทำให้สิ่งมีชีวิตเติบโตและสุกงอมความชราและความเสื่อมโทรมของสิ่งต่างๆเช่ตนต้นไม้ตึกกรามบ้านช่องโลกและก้อนหินเป็นต้นเกิดจากความร้อนของดวงอาทิตย์ ความร้อนของร่างกายเป็นเหตุให้ผมงอกฟันหักผิวหนังเหี่ยวยน่นและอาการอื่นที่แสดงถึงความร่วงโรยยิ่งมีความร้อนมากเพียงใดกระบวนการเติบโตและสุกงอมจะรวดเร็วขึ้นเพียงนั้นเตโชาธาทำให้รูปคลายตัวและอ่อนตัวลงเหมือนเทียนขายที่ถูกลนไฟดังนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกาหนดว่า ร้อนหนอก็ย่อมรับรู้อารมณ์ปรากฏของเตโชธาต์ซึ่งได้แก่การทำให้อ่อนนุ่มผู้ปฏิบัติธรรมที่เจริญสติอยู่ย่อมรู้ว่าเวลาร่างกายรู้สึกร้อนหรือเย็นนั้นเป็นเพราะลักษณะเด่นของเตโชธาตและเมื่อเห็นว่ามันทำสิ่งต่างๆสุกงอมก็เป็นการรู้หน้าที่ของเตโชธาต์ นอกจากนั้นเมื่อรู้ว่ามันทำให้สิ่งต่างต่างอ่อนนุ่มก็เป็นการรู้อาการปรากฏของเตโชธาตเมื่อนั้นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเกิดปัญญาอย่างรู้ความแตกต่างของรูปนามและย่อมหลุดพ้นจากความเห็นผิดที่เกิดกับบุคคลทั่วไปซึ่งคิดว่าเตโชธาตคือวัตถุสิ่งของหรือบุคคลเช่นมือเท้าบุรุษหรือสตรี เป็นต้นลักษณะของวายโยธาต์วายโยธาต์หรือธาตุลมมีลักษณะตึงหรือย่อนเช่นเวลานั่งตัวตรงยืดหลังให้ตรงแล้วระลึกรู้ภายในกาย เราจะรู้สึกถึงความตั้งตรงของร่างกายส่วนบนถ้าเหยียดแขนออกแล้วละลึกรู้ภายในมือของเราจะรู้สึกตึงที่มือดังนั้นเมื่อนั่งบริกรรมว่านั่งหนอย่อมรู้ลักษณะตึงของวายโยธาดแล้วรู้ว่าความตึงนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุรุษสตรี หรืออตาตมานเป็นต้นความรู้ประจักษ์แจ้งในวายโยธา ต, ตามความเป็นจริงนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในเบื้องต้นนั้นวิปัสสนาปัญญาของผู้ปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นนั้นวิปัสสนาปัญญาของผู้ปฏิบัติธรรมจะยังไม่แก่กล้าเพียงพอจึงไม่สามารถจดจ่อสภาวธรรมความหย่อนตึงได้ตลอดเวลา ยังมีความคิดว่ามีตัวตนบุคคลแทรกเข้ามาเนื่องจากสมาธิยังอ่อนและเขามักจะปล่อยให้จิตล่องลอยไปอย่างอิสระกามัชันทาและนิวรณ์อื่นๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิและวิปัสสนาปัญญาจึงเข้าครอบงำจิตและเป็นอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าในการปฏิบัติ ทำให้จิตไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสภาวะที่แท้จริงของธาตุทั้งสี่ได้มีครูอาจารย์บางคนกล่าวว่าสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติจะอันตรธานไปได้ทันทีเมื่อได้ปฏิบัติวิปัสสนาแต่ในความเป็นจริงนั้นผู้ปฏิบัติใหม่จะหลุดพ้นจากสมมติบัญญัติทันทีได้ยากและจะยังไม่สามารถข่มนิวรณ แต่ในความเป็นจริงนั้นผู้ปฏิบัติใหม่จะหลุดพ้นจากสมมติบัญญัติทันทีได้ยากและจะยังไม่สามารถข่มนิวรบรรลุจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตได้ทันทีอาจยกเว้นในบางกรณีที่ได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระโอษของพระบรมศาสดาโดยตรงและได้บรรลุมรรคในขณะนั้น แต่การบรรลุมรผลโดยเร็วเช่นนั้นไม่ใช่วิสัยที่คนทั่วไปในปัจจุบันจะกระทำได้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะไม่ทำให้บรรลุวิปัสสนาปัญญาได้ในขณะเริ่มต้นแต่การเจริญสติปัฐานกำหนดรู้รูปนามจะช่วยให้สมาธิค่อยๆพัฒนาแก่กล้าขึ้นและไม่เปิดโอกาสให้ความฟุ้งซ่านแทรกเข้ามา ทำให้สติตั้งอยู่ต่อเนื่องเมื่อจิตบริสุทธิ์จากนิวรจึงเกิดปัญญาอย่างรู้สภาวธรรมรูปนามได้ตามความเป็นจริงแม้กระนั้นสมมติบัญญัตก็ยังไม่หมดสิ้นไปจนกว่าจะบรรลุวิปัสนาญาณที่อย่างเห็นความดับของรูปนามดังนั้นในคำพีวิสุทธิมักจึงกล่าวว่า ในวิปัสสนาญาณระดับอุทพยญาณญาณรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามผู้ปฏิบัติธรรมมักได้เห็นดอกไม้ที่ลานเจดีหรือเต่าปลาในทะเลแต่หลังจากนั้นย่อมรู้เห็นการดับของรูปนามที่เป็นอารมณ์กรรมฐานและการดับของจิตที่กำหนดรู้นั้นด้วยสมมติบัญญัติคือรูปร่างสันฐาน ก็จากอันตรธานหายไปไม่ปรากฏให้เห็นอีกดังคำพีวิสุทธิ์ที่มักราวว่าสติย่อมตั้งอยู่ในการสิ้นไปการหมดไปการอันตรธานและการดับไปดังนั้นในเบื้องต้นของการเจริญวิปัสสนาผู้ปฏิบัติธรรมพึงพยายามกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานอย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริงเช่นกําหนดรู้ความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นสภาวะของวาโยธาตในขณะยกเท้าเป็นต้นพระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้เข้าใจเรื่องนี้เมื่อตรัสว่าเมื่อเดินย่อมรู้ว่ากําลังเดินอยู่ท่านทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเพียงรับรู้ว่ากําลังเดินอยู่ไม่ใช่พิจารณาวาโยธาต หรือความตึงหย่อนชื่อเรียกทั้งหลายไม่สำคัญที่สำคัญคือรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงผู้ปฏิบัติธรรมอาจใช้คําบริกรรมอื่นได้ตามที่สมมติกันทั่วไปอย่างไรก็ตามความตึงและหย่อนของท้องทีงท่พองและยุบเป็นสภาวะที่แท้จริงของวายโยธา ที่จริงแล้วแม้ความหย่อนก็เป็นลักษณะของวาโยธาตเหมือนความตึงเพราะความหย่อนกับความตึงก็คือสิ่งเดียวกันต่างกันที่ความมากน้อยเท่านั้นกล่าวคือความหย่อนเป็นสภาพที่มีความตึงน้อยหน้าที่ของวาโยธาตคือทำให้เคลื่อนไหวเอียงเอน็นหรือโยกย้าย ผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวของมือเมื่อคู่มือเข้ามาและรู้เห็นวายโยธา ต, ตามความเป็นจริงขณะเดินก็พึงกำหนดรู้วายโยธาโดยในเดียวกันเวลานั้นเขาย่อมไม่รับรู้ว่าเป็นบุรุษสตรีหรือเป็นรูปร่างสันฐานคงรับรู้แต่เพียงการเคลื่อนไหวที่เป็นสภาวะที่แท้จริงของวาโยธา และในการเคลื่อนไหวนั้นยังรับรู้การผลักดันจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งด้วยนี่เป็นการรับรู้สภาวะธรรมของวายโยธาที่ปรากฏในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมดังคำพีอัตกถาพระอภิธรรมกล่าวถึงการรับรู้ปัจจุ ป, ปัปฐานของวายโยธาว่า มีความผลักดันเป็นอาการปรากฏปัทวีธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุธาตุทั้งสามคือปัทวีเตโชและวายโยเป็นสภาพที่รู้ได้ด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติเท่านั้น ไม่สามารถรู้ได้ด้วยการมองดูหรือฟังเสียงเป็นต้นเราอาจได้ยินเสียงของวัตถุบางอย่างแต่จำบอกไม่ได้ว่ามันแข็งหรืออ่อนร้อนหรือเย็นตึงหรือย่อนอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหวนอกจากนั้นยังไม่สามารถทราบลักษณะที่แท้จริงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากกลิ่นรสและรูปร่างสันฐาน แต่คนทั่วไปมักเชื่อกันว่ารูปที่ตามเห็นจะสามารถบอกลักษณะที่แท้จริงของธาตาุต่างๆเวลาที่มองดูก้อนหินหรือแท่งเหล็กจะรู้สึกได้ว่าสองสิ่งนี้มีความแข็งความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดจากการเห็นแต่เป็นการอนุมานรู้จากประสบการณ์ในอดีตสิ่งที่รู้ได้จากการเห็นนั้น เป็นเพียงรูปร่างสันฐานซึ่งบางครั้งอาจทำให้เข้าใจผิดได้เช่นเราอาจเหยียบลงไปในล่มโคลนเพราะมันดูแข็งเหมือนพื้นดินหรือเราอาจยกท่อนเหล็กร้อนจัดเพราะดูไม่ออกว่ามันกําลังร้อนก็ได้นอกจากนั้นเราไม่อาจรับรู้วายโยธาได้ด้วยการเห็น เพราะวาา่าโยธาเป็นธาตุที่พึงรู้ได้ด้วยใจเท่านั้นเมื่อเห็นวัตถุเคลื่อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเราทราบได้ว่ามันเคลื่อนที่เพราะอนุมานรู้จากการสังเกตเห็นว่าวัตถุนั้นโยกย้ายที่ไปแต่บางครั้งสิ่งที่เห็นก็อาจไม่เป็นจริงเช่นรถไฟสองขอบวนจอดใกล้กันเมื่อขอบวนหนึ่งเคลื่อนออก คนบนรถขบวนนั้นอาจจะเห็นว่ารถอีกขบวนหนึ่งแล่นถอยหลังหรือเมื่อเรานั่งอยู่ในรถที่แล่นไปด้วยความเร็วสูงจะเห็นต้นไม้ข้างทางเหมือนวิ่งสวนทางไปภาพลวงตาเหล่านี้แสดงว่าคนเราไม่สามารถรู้ความจริงเกี่ยวกับวาโยธาได้จากภาพที่ตาเห็นครั้งหนึ่ง มีผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ชอบปฏิบัติธรรมได้เล่าเรื่องที่เขาสนทนากับพระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่งว่าเขาได้หยิบหมอนใบหนึ่งขึ้นมาเขยา่าแล้วเขาถามพระวิปัสสนาจารย์ว่าขณะนี้ท่านกำลังเห็นสภาวะธรรมอะไรดับอยู่ขอรับพระวิปัสสนาจารย์ตอบว่าอาตามาเห็นวายโยธาตกำลังดับไปท่านขอรับ ท่านเข้าใจผิดแล้วสิ่งที่ท่านเห็นด้วยตานั้นเป็นเพียงรูปารมณ์ถ้าท่านกำหนดรู้ในขณะเห็นก็จะเห็นความเกิดดับของสภาวะเห็นหรือของรูปารมณ์เท่านั้นจะไม่สามารถรับรู้ความเกิดดับของวายโยธาได้ในขณะเห็นวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติ ที่รับรู้สภาวะธรรมอันเกิดขึ้นจริงภายในร่างกายของตนเท่านั้นในส่วนของสภาวะธรรมอื่นๆเป็นการอนุมานรู้ภายหลังทั้งสิ้นธรรมดาในการปฏิบัติจะต้องกําหนดรู้อารมณ์เฉพาะหน้าตามที่ปรากฏขึ้นจริงทางทวารที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและวายโยธาเป็นอารมณ์ที่ต้องกาหนดรู้ ทางกายทวานคือรับรู้ความเคลื่อนไหวของวาโยธาเมื่อเรากำหนดรู้ขณะเดินรู้หรือเหยียดเป็นต้นในขณะนี้ท่านไม่ได้สัมผัสกับวาโยธาตแต่กล่าวว่ากำลังเห็นความดับของวาโยธาจึงผิดหลักธรรมชาติและไม่ถูกต้องขอรับคำวิจารณ์นี้ถูกต้องตามหลักของความเป็นจริง บางอาจารย์แทนที่จะสอนให้ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสูตรหรือพระสูตรอื่นกลับสอนให้คิดตึกตรองตามคำมภีอภิธรรมปิดกซึ่งอธิบายเรื่องสภาวะธรรมล้วนบางท่านที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนแนวนี้อาจได้ประโยชน์ทางจิตใจแต่ยากจะบรรลุวิปัสนาหรือมรรคผลใดๆได้ได อย่างไรก็ตามอาจมียกเว้นก็เฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีปัญญาเลิศจึงจะสามารถบรรลุได้ด้วยการคิดนึกตรึกตรองเท่านั้นทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฏฐานสูตรและกำหนดรู้สภาวะธรรมรูปนาม ที่ปรากฏทางทวารทั้งหกดังพระพุทธดำรัสเอกายโนอายังพิกเวมัคโคพิกสุท์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวในกรณีผดทับพารมที่ปรากฏทางกายทวาร น, นั้นพึงกำหนดรู้ทุกครั้งที่มีการกระทบสัมผัสทางกายทั้งภายในและภายนอกมิฉนั้นแล้ว โทธพารมักเป็นช่องทางให้ตัณหาและอวิชชาแทรกเข้ามาครอบงำจิตซึ่งนำไปสู่ความหลงผิดคิดว่าสรรพสิ่งเป็นสภาวะคงทนถาวรเป็นสุขและมีตัวตนจึงทำให้เกิดความผูกพันกับส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อสัมผัสรับรู้รูปกายแต่หากตั้งสติกำหนดรู้ในทุกขณะ และยังเห็นว่าภาษาทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนความผูกพันก็จะไม่เกิดขึ้นและจะสามารถดำเนินไปในวิปัสสนามรักที่ถูกต้องอันจะนำไปสู่ความรู้แจ้งและนิพพานต่อไปรูปใสเป็นที่ตั้งของความรู้สึกทางกายเป็นรูปที่แผ่ซ่านทั่วไป ในร่างกายที่มีเลือดเนื้อชุ่มชื้นเมื่อกายประสาทรูปกระทบกับสิ่งภายนอกกรอบตัวเช่นเสื้อผ้าอากาศเป็นต้นก็เป็นเหตุให้เกิดผัสสะขึ้นและอวัยวะต่างๆในร่างกายก็ยังก่อให้เกิดผัสสะได้เช่นผมผิวหนังเป็นต้นดังนั้นผัสสะจึงเกิดได้โดยมีวัตถุทั้งภายนอกและภายในเป็นปัจจัย การกำหนดรูปผลถัพพรมจะทำให้เห็นว่าผัสสะเกิดได้ในทุกส่วนของร่างกายเราสามารถรับรู้การกระทบสัมผัสได้ทุกที่และการกระทบกับผลถัพพรมย่อมเป็นเหตุให้เกิดกายวิญญาณการประชุมกันของกายภาษาทรูปโผลถัพพรมและกายวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ ภาษะที่ดีทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขส่วนภาษะที่ไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ภาษะที่ชัดเจนย่อมมีกำลังมากและเป็นเหตุให้เกิดเวทนารุนแรง